นายทหารหนุ่มคนหนึ่งที่แต่งกายนอกเครื่องแบบก้าวเดินออกจากตรอกหนึ่งในตำบลถนนพระอาทิตย์นายทหารหนุ่มของเราเดินด้วยความฉุนเฉียวตามอารมณ์หนุ่มควางกลบบุหรี่ที่ยังเหลือยาวอยู่ลงพื้นถนนอย่างแรงจนไฟกระจายเป็นแสงสว่างความฉุนเฉียวของหนุ่มนมนี้ถ้าไม่ใช่จากเรื่องของผู้หญิงเห็นจะมีน้อยที่มาจากเรื่องอื่นๆแม้แต่เรื่องของการรบราฆ่าฟันกันก็มักจะมาจากเรื่องของผู้หญิง และก็เป็นความจริงแบบนั้นในร้อยตรีอนันต์เพ่งขวัญบุญผู้ขนองในริหนุ่มแอบได้ภรรยาคนหนึ่งชนิดต่างร้อนแรงด้วยวัยขนองโดยทางบิดามัรดาของตนหาทราบไม่แต่ยังดีที่ทางมัรดาของฝ่ายหญิงได้รู้เรื่องแต่ก็สายเกินไปซะแล้วลูกสาวได้เสียตัวไปแล้วหมดทางจะแก้ไขอย่างไรได้ให้เป็นเรื่องที่งดงามหากนายทหารหนุ่มเกิดจะเลิกราทิ้งขว้างเขาก็สามารถทาได้ เพราะว่าฝ่ายหญิงไม่มีอะไรเป็นหลักยึดตัวเข้าไว้ได้ทั้งก็ยากจนอยู่ด้วยจึงหมดหนทางจะหาความงดงามให้เกิดกับลูกสาวที่พลาดพลางไปนอกจากจะเลยตามเลยแล้วก็เอาอกเอาใจลูกเขยอย่างน่าชื่นอกตรมยอมให้ไปมาหาสู่กันตัวของแม่ยาเองรู้เรื่องอยู่แล้วว่าลูกสาวของตนนั้นยังอ่อนต่อการจะเป็นแม่บ้านแม่เรือนชั้นดีได้จะต้องสั่งสอนกันอีกมากมายแต่กระนั้นก็ยังพลังพลาดอยู่บ่อย พราลูกเคยทหารก็เคร่งครัดกับครอบครัวดังวินัยทหารเพราะว่าเคยหัดทหารบังคับทหารด้วยวินัยเสมอก็นําวินัยนั้นมาใช้ที่บ้านแม่เมียก็ไม่ยอมจึงทะเลาะกันบ่อยเต็มทนยังดีอยู่ประการเดียวที่แม้จะทะเลาะกันเท่าไหร่ก็ไม่มีการทุบตีกันในคืนนั้นการทะเลาะได้มีการเกิดขึ้นแต่ว่ารุนแรงจนแม่ยายใจหายใจคว่ำคือถึงแก่ท้าทายเลิกร้างกัน ถ้าเป็นจริงความอกแตกก็เป็นข้างแม่ยายและลูกสาวฝ่ายเขยจะมีอะไรเสียเขาได้เปล่าเสียเปล่าแต่ฝ่ายหญิงสิเสียตัวเสียชื่อทุกประการแต่ว่าการเถียงกันนั้นฝ่ายชายถือว่ามีเปรียบก็ท้าเลิกกันฝ่ายหญิงก็ฮึดสู้บอกว่าตามบุญตามกรรมเลิกก็เลิกโดยคิดอย่างผิดๆว่ากลัวอะไรนะกับผัวคนนึงยังสาวอยู่หาอีกเมื่อไหร่ก็ได้แต่ว่าตัวแม่ยายนั้นแทบจะอกแตก ฝ่ายผัวก็ตึงตังแต่งตัวอย่างง่ายๆพรวดพลาดออกจากห้องแถวที่เช่าอยู่โดยตั้งใจเด็ดขาดว่าจะไม่กลับมาเหยียบที่นี่อีกแม่ยายพูดไม่ออกก็นั่งก้มหน้าก้มตาซึมเศร้าฝ่ายทหารหนุ่มผู้หุนหันยังคงงุ่นง่านอยู่ที่ปากตรอกตัดสินใจไม่ถูกว่าจะไปทางไหนดีและทางที่จะไปนั้นต้องเป็นทางเด็ดขาด เวลาล่วงเข้า22นาฬิกาแล้วแต่ก็คล้ายกับบังเอิญมีลมพัดแรงไปทางขวามือสู่ทางบางลำพูอย่างแรงผงคลีเศษกระดาษปลิวว่อนไปตามลมพอร้อยตรีหนุ่มก็เดินตามไปสมเด็จเหมือนมีคนนำไปข้างหน้าเดินมาจนถึงสี่แยกบางลำพูก็ได้สติว่าทางที่จะไปนั้นคือทางกลับบ้านของตัวเองที่ถนนเข้าสารแล้วจะไม่ย้อนกลับมาหาเมียอีก แต่หน้าประหลาดที่รู้ก็รู้ว่าควรจะไปทางนั้นแต่ว่าแข้งขาตัวเองดูไม่รีบร้อนคล้ายกับจะช้าแล้วก็ไม่ไปตามนึกก็เลยกลายเป็นการเดินทอดน่องตามถนนจั ก, กรพง์และในสมัยนั้นถนนนั้นเวลา22นาฬิกานิ่งเงียบรถราแล้วทหารหนุ่มเดินช้าๆจนถึงตรอกหนึ่งที่ชาวบางลำพูเรียกกันว่าตรอกแขกหรือว่าตรอกสุ่าแขก ตรงปากตรอกมีเด็กหนุ่มหลายคนเล่นดนตรีกันอยู่ด้วยเครื่องมือเท่าที่มีเช่นไวโอลินและก็หีบปากเพลงเล่นเพลงภา พ, พยนตร์บ้างเพลงไทยง่ายๆบ้างทหารหนุ่มทอดขาช้าลงอีกคล้ายจะฟังกันบรรเลงเพลงของเด็กหนุ่มเหล่านั้นทั้งตนเองก็ไม่ได้มีเลือดทางดนตรีแต่มีความรู้สึกว่าเสียงเพลงนั้นได้ผ่อนคลายอารมณ์ที่ร้อนแรงให้ผ่อนลงได้บ้าง พวกเด็กหนุ่มได้ร้องเพลงไทยเพลงหนึ่งอย่างร้องหมู่คือเพลงลาวดำเนินทรายเห็นเวลาดึกนักหนาอยู่แล้วหนอจะเรียรอร้องเล่นเป็นห่วงห่วงเหมือนเกสอนโกสุมทุกพุ่มพวงจะแรมร่วงโรยราหน่าเสียดายโอ้ว่าอกเอ๋ยกรรมอกเอ๋ยจะทำฉันใดแม้ไม่มีห่วงบ่วงใยตัวฉันไม่ไปเลยเอย เป็นกรรมจำพรากจำจากจำไกลจำจิตจำใจจากจำไกลกันเอ่ยในร้อยหนุ่มหยุดยืนฟังเพลงนั้นจนเขาร้องจบชอบใจเนื้อเพลงที่เป็นเรื่องรักทั้งตรงกับใจตัวที่กำลังว้าวุ่นอยู่อย่างเดียวกันเป็นรักที่กำลังจะจากไปทั้งทงที่ผู้ที่จะจากไปนั้นก็ยังมีความห่วงหาอะไรอยู่ถ้าหาหนุ่มได้ถอนหายใจออกมาอย่างไม่รู้ตัว เพลงนั้นช่างตรงใจที่กำลังวุ่นวายนักเวลาดึกเงียบๆได้ยินเพลงอย่างนี้ความรักความการุณาที่เคยมีอยู่กับเมียก็กลับมาสับสนแต่ยังทำฮึดด้วยความหนุ่มถือดีอย่างบ้าๆก้าวขาเดินต่อไปตั้งใจจะเลี้ยวเอาถนนเข้าสารเลยทีเดียว แต่ว่าบาังเอิญนักพอผ่านสามแยกถนนบ้านแขกได้มียายแกค่คนนึงแกะจะเลี้ยวเข้าถนนบ้านแขกแต่ว่าเซจะล้มลงด้วยความว่องไวของชายนักรบได้เพ่นเข้าประคองไว้ทันยายแก่ขอบบุญขอบคุณแล้วก็สารภาพว่าไม่มีกําลังเลยแล้วแกก็ร่ำลาเดินต่อไปอย่างกิริยาไม่แข็งแรงชายชาติทหารย่อมดูใครที่จะมีอันตรายไม่ได้เลยหันหน้าเดินตามแกไปทางถนนบ้านแขก เดินไปจนถึงกลางๆจะออกไปชนทางแยกวัดบวรนิเวศ ท, ที่ตึกแถวหนึ่งมีงานแล้วก็มีดนตรีไทยยังไม่เลิกมีคนยืนฟังกันอยู่มากมายยายแก่คนนั้นหายไปในหมู่คนซะแล้วทหารหนุ่มของเราก็เลยยืนฟังดนตรีอีกเพื่อจะให้ช่วยดับอารมณ์ตัวหญิงนักร้องกำลังร้องเพลงทยอยนอก โอ้เจ้าประคุณผู้ปกผมประดุดร่มโพไซใบอ่อนจะจากไปดังหนึ่งใครฟันฟอนมาทอดถอนทิ้งไว้ให้วังเวงน้องอยู่หลังตั้งตาคอยใจจะขาดทั้งไราญาติเกรงคนจะขมเหงตัวเปล่าใครเล่าจะยำเกรงจะวังเวงชอกช้ำระกำใจอีกครั้งหนึ่งที่ทหารหนุ่มถอนใจเฮือกอย่างอ่อนใจจับพลันเขาก็คิดถึงเมียที่ได้ทิ้งมา ใครกันเล่าที่จะคอยคุ้มกันพยานอันตรายต่างๆจะเอาแต่โกรธไม่คิดถึงบาปบุญคุณโทษบ้างหรือตัวเราเป็นชายกระไรมีเลิกแล้วหาใหม่แต่หญิงนะสิมาได้กันอย่างลอยลมแต่ก็ยังจะเสียคนไปข้างหน้าเพลงร้องเมื่อกี้ทำให้คิดได้ว่าโอ้เจ้าประคุณผู้ปกผมประดุดร่มโพไซใบอ่อนเราก็คือร่มโพของเมีย จะจากไปดังหนึ่งใครมาฟันฟอนมาทอดถอนทิ้งไว้ให้วังเวงจริงแล้วใจเมียกำลังแย่น้องอยู่หลังตั้งตาคอยใจจะขาดทั้งไรยาิเกรงคนจะขมเหงนึกแล้วสงสารสุดใจตัวเปล่าใครเล่าจะยำเกรงจะวังเวงชอกช้ำระกำใจจริงของน้องพ่อทหารผู้เคร่งวินัยร้องออกมาแล้วก็หันหน้ากลับทางเก่า เหมือนมีลมอีกกลุ่มนึงพัดพ่าล้อมตัวให้เดินกลับไปบางลำพูพอถึงสี่แยกก็ว่าง่ายหากเลี้ยวซ้ายไปเลยถนนพระอาทิตย์ก็นึกชังตัวเองหุนหันดุร้ายเกินควรนั่นเมียแท้ๆพอจะสั่งสอนขัดเกลาวกันมิใช่ค่าสึกที่จะรบกันจะบุกกันตลอดไม่ยอมถอยโถเอ้ยป่านนี้จะนอนหลับได้หรือเปล่าเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ประกาศเลิกร้างกันไม่กลับมาอีก ทหารหนุ่มหยุดยืนนิ่งอยู่หน้าห้องแถวโดยกโกรธตัวเองแล้วค่อยๆเคาะประตูพอประตูเปิดก็พบแม่ยายพอเห็นหน้าลูกเขยก็ก้นกระแทกร้องว่าลูกเอ้ยแม่ไม่คิดว่าจะกลับพูดแล้วก็ร้องไห้นายทหารเรายิ้มแห้งๆตัวเบารีบขึ้นชั้นบนพบเมียนั่งอยู่หน้าเตียงไม่ได้หลับไม่ได้นอนพอเห็นผัวก็โผลเข้ากอดตีนร้องไห้น้อยคิดว่าคุณจะไม่กลับแล้วก็ทิ้งน้อยไปซะแล้ว เมียว่าแล้วก็คล่ำครวนเบาๆทหารของเราก้มลงประคองภรรยาแล้วก็พูดเบาๆพี่ขอโทษพูดแค่นี้ก็กอดภรรยาด้วยหัวใจตื้นตันการกลับมาของสามีคนนี้ใครละ่ะจะคิดว่าใครหนอเป็นผู้ห้ามเขาและจูงเขากลับแม้แต่ตัวเขาเองยังไม่รู้เลยว่ากลับได้อย่างไรคล้ายกับมีลมกลุ่มหนึ่ง พาเขาไปพบกับการเฮกล่อมของเพลงให้ใจอ่อนจนคิดเดินทางกลับจึงไม่รู้ว่าใครเป็นผู้ห้ามเขาไม่ให้แยกทางกันไปดังหนึ่งว่ามีวิญญาณใครสักหนึ่งดวงหรือสองดวงได้เห็นการอันไม่ควรจะเป็นจึงลงมือทักท้วงอย่างอ้อมๆโดยจูงใจให้คิดเอาเองด้วยความเมตตาปราณีอันเกิดขึ้นที่ใครๆก็พูดว่าผัวเมียนั้นคือลิ้นกับฟัน แต่ที่จริงแล้วควรจะรู้ว่าทุกๆอายถ้าเหตุผลยังลงกันไม่ได้เพราะมีโมโหโทโสก็ย่อมวางเหตุผลนั้นทิ้งไปก็ย่อมไม่มีใครยอมกันทั้งๆก็รู้ว่าการชนะกันนั้นได้อะไรขึ้นเหตุผลจะมีสมบูรณ์นั้นก็ต่อเมื่อไม่มีใจเป็นโทโส